บทที่หกสิบเอ็ดพันโทวิศ ท, ท่านส่งพระครูแล้วพันโทวิศก็กลับไปที่ทำงานเพราะลามาครึ่งวันที่กุติในขุนทองกำลังนั่งคุยประจอประแจ อ, อยู่กับชายหญิงคู่หนึ่งครั้นเห็นหน้าชัดเจนจึงได้รู้ว่าคนคู่นั้นก็คือหลานชาย และหลานสะพายของท่านนั่นเองเมื่อคนทั้งสองก้มลงกราบท่านเรียบร้อยแล้วในใจก็เอ่ยทักขึ้นว่าหลวงนาสบายดีหรือครับเห็นเจ้าคุณทองบอกว่าหลวงนาตกกระไดขาหักจริงหรือเปล่าครับเอ็งว่าจริงหรือเปล่าล่ะท่านย้อนถามคนเป็นหลานไม่รู้สิครับก็เห็นหลวงนาเดินปกติดีอยู่ในใจอตอบ แต่ก็ปวดนะครับหลวงพ่อท่านบอกผมว่าท่านปวดเกือบตลอดเวลาแต่พี่ว่าปกติเพราะท่านใช้คาถาพระโมคคลาประสานกระดูนายสมชายบอกกล่าวหลังจากที่ได้ทักทายคนทั้งสองได้การไหว้แล้วอ๋ออย่างนั้นหรอหรือแล้วหลวงนาะไม่ไปหาหมอหรือครับผู้พันจะพาไปแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอม ท่านบอกว่าต้องการชดใช้กรรมอีกเดือนเดียวก็จะหายเป็นปกติศิทธวัดตอบอีกในจจรู้สึกไม่พอใจที่นายสมชายตอบคําถามแทนท่านพระครูเข้าอุตส่าห์ลงท้ายด้วยครับก็เพราะต้องการที่จะให้ท่านตอบคุณรู้ได้ยังไงว่าอีกเดือนเดียวจะหายคราวนี้ท่านถามชายหนุ่มและไม่มีครับลงท้าย หลวงพ่อท่านบอกคนตอบไม่ยอมลงครับเช่นกันอ้าวโยมเข้าไปไหนเสียละ่ะท่านเจ้าของกุฏิถามหาอาจารย์ชิดเมื่อไม่เห็นเขาอยู่ที่นั้นไปเดินจงปรมอยู่หน้าโบสถ์ฮะเขากระซิบบอกหนูว่ารู้สึกเกรงใจจะหมูกของพี่จอยกับพี่จุกนายขุนทองเป็นคนตอบแล้วเองจัดการให้เขากินข้าวกินปลาแล้วหรือ ย, ยงัง เรียบร้อยแล้วะพอเข้าอิ่มพี่จุกกับพี่จอยก็มาถึงเขาก็ไปหน้าโบสถ์ลมอะไรหอบเองสองคนมาลาและนี่กินข้าวกินปลาแล้วหรือยังท่านถามสองสามีภรรยายังเลยเจ้าหลวงนะ้าฉันรู้สึกหิวอยู่เหมือนกันพี่จอยเราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมนางจุกชวนสามีท่านพระครูจึงว่า พากันไปกินให้อิ่มท้องเสียก่อนเรื่องอื่นไว้ค่อยคุยกันทีหลังจะค้างไม่เล่าคงไม่ค้างหรอกครับหลวงพ่อผมจะเอารถมาให้หลวงพ่อช่วยเจิมผมออกรถใหม่แล้วครับคนเป็นหลานจายบอกอย่างภาคภูมิใจอย่างนั้นหรือไปรวยอะไรมาล่ะผมไม่ได้รวยหรอกครับเงินจุกเขาเองถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไงจุก ท่านสับพยอคนเป็นหลานสะพ้ายหากหล่อนกลับยอมรับหน้าตาเฉยว่าจะหลวงนาเรื่องมันประหลาดมากเดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วฉันจะเล่าให้หลวงนาฟังไปกันเถอะพิจอยคนทั้งสองลุกออกไปแล้วท่านพระคกรธจึงถามนายขุนทองว่าแลเอ็งละ่ะกินข่าวแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วหาหลวงลงุงตอนหนูไปเอา มาให้อาจารย์เขาหนูก็อัดใส่ท้องตัวเองให้เต็มเสียก่อนล้านชายตอบการกินการอยู่ใครไม่สู้พอ่อสมชายเปรยขึ้นการพายการทอพ่อไม่สู้ใครในคุณทองต่อให้แล้วอธิบายว่าพ่อในที่นี้หมายถึงพี่นะเพราะพี่เป็นผู้ชาย ถ้าพี่จะว่าหนูต้องใช้คำว่าแม่ถึงจะถูกขนาดนั้นเชียวนายสมชายยาวใช่สิว่าแต่ว่าพี่ไม่หิวเหรอน่าจะไปกินพร้อมพี่จ่อยกับพี่จุกเขาข้ายังอิ่มแปรยอยู่เลยเอาละเป็นอันว่าเองสองคนอิ่มมีปริมาณกันดีแล้วทีนี้ก็ฟังข้าตั้งใจฟังให้ดีนะครับ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 จนกว่าขาจะหายเป็นปกติจะไม่ลงมาข้างล่างยกเว้นเวลาถ่ายหนักถ่ายเบาและเวลาส่งน้ำล่ะครับฉันกอจะงดจะใช้เช็ดตัวแทนหรือไม่ก็สงตอนลงมาถ่ายงั้นก็เหม็นแย่สิฮะหลวงลงุงไม่อาบน้ำทั้งเดือนอยู่ได้ไงก็ทนทนอยู่มันไปอย่างนั้นแหละทายังไงได้ละ่ะ ในเมื่อมันเกิดมาแล้วหรือเองจะให้ข้าทำยังไงไหนลองว่ามาแม้จะปวดขาหากก็ยังมีแก่ใจ ย, ยั่วย้าวหนูก็ว่าทนอยู่ไปนั่นแหละดีแล้วดีกว่าข่าตัวตายจึงไม่พี่คนมากวัยกว่าจึงย้อนว่านี่ถ้าเป็นเองก็คงจะฆ่าใช่ไหมใช่ไหมเรื่องอะไร กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนนั้นแสนยากจริงไม่ห่าหลวงลุงท่านพระครูจึงตัดสินอย่างรําคาญรําคาญว่าเอาเถอะเอาเถอะเลิกต่อลาะต่อเถียงกันได้แล้วฟังข้าพูดคนเดียวก็พอเองสองคนไม่ต้องพูดห้ามพูดห้ามเถียงและหลวงพ่อจะออกบิณฑบาตไหมครับเมื่อท่านไม่ให้เถียงนายสมชายจึงเปลี่ยนเป็นถาม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 เมื่ออยากรู้ฉันก็จะตอบแต่ถ้าคนไอคิวสูงหน่อยเขาจะรู้เองแล้วฉันก็จะไม่ถามอย่างที่เธอถามมาเนี่ยหรอกท่านถือโอกาสเน็บแนมก่อนจะตอบว่าฉันจะไม่ออกบินธบาทเพราะแม้จะลงไปสงน้ำฉันก็ยังไม่ลงและทำไมจะต้องไปเดินเป็นกิโลกิโล การทำเจ่ น, นั้นมันเป็นการทรมานตัวเองมากเกินไปเข้าขายอัตกิลมัฐานโยกที่พระพุทธองค์ทรงติเตียนว่าเป็นทางปฏิบัติที่สุดตรงฉันเป็นสิทธิพระตถาคตจึงต้องดำเนินรอยตามพระพุทธองค์เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับเป็นอันว่าผมจะไปนำอาหารมาจากโรงครัวถวายหลวงพ่อทุกเช้า ส่วนเรื่องหนักเรื่องเบาผมว่าหลวงพ่อไม่ต้องลงมาก็ได้ผมจะเป็นคนเทกระโถนเองนะครับขอบใจเธอมากแต่ฉันคงไม่ไปรบกวนเธอขึ้นขนาดนั้นเท่าที่มาคอยปริบัิรับจายก็ขอบใจเลือเกินแล้วไม่เป็นไรครับถึงกราวผมบ้างหลวงพ่อจะได้ช่วยหลวงพ่ออย่าลืมสัญญานะครับปีหน้าฟ้าใหม่ หลวงพ่อบอกว่าผมจะได้แต่งงานคำบอกกล่าวนั้นกินไปถึงค่าสินสอดทองมันที่ท่านพระครูจะช่วยอนุเคราะห์ผมเห็นพี่จุกเขาถือถุงยิวสีน้ำตาลมาด้วยสงสัยจะนำปัจจัยมาถวายหลวงพ่อยังไงก็อย่าลืมผมนะครับเขาเกิ่น หนูด้วยห้าหลวงลงและหนูจะเป็นญาติกับพี่จ่อยเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะได้น้อยกว่าพี่สมชายเขาคนทั้งสองต่างตั้งความหวังเองจะเอาเงินไปทำอะไรท่านถามคนเป็นหลานตัดผมแล้วก็ซื้อเสื้อกับรงรองเท้าส้นสูงในขุนทองตอบด้วยฝ่ฝันอยากได้มานานน้อยน้อยน้อย แต่เองจะเอาไปซื้อสิ่งเหล่านี้ข้าม่ให้เองรอกที่ให้มาอยู่ด้วยก็เพราะอยากให้เองเป็นผู้ชายเต็มตัวท่านพระครูว่าแต่หนูอยากเป็นผู้หญิงเต็มตัวมากกว่าหลานชายทำกระเงา้ากระงอดเจ้าขุนทองท่านพระครูเรียกชื่อหลานชายด้วยเสียงหนักๆขาหลานชายตัวดีขานรับเสียงใสนี่ข้าขอร้องเธอนะ ข้ากำลังปวดขาอย่าให้ต้องมาปวดหัวอีกเลยเธออีกคนท่านหันไปเล่นงานในสมชายร่วมมือกันทำให้ฉันปวดหัวดีนักจะไปไหนก็ไปเธอไปฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกเธอก็หลวงพ่อให้ผมทำความสะอาดกุฏิชั้นบนและผมจะไปไหนได้ละครับนายสมชายยังคงยั่วหนูก็เหมือนกัน หลวงลุงให้คอยดูว่าถ้าพี่สองคนเข้ามาให้เขาขึ้นไปหาหลุงลุงข้างบนแล้วก็ให้ไปตามอาจารย์มาเข้าปฏิบัติข้างในแล้วหนูจะไปไหนได้ล่ะฮะประโยคท้ายเขาเรียนแบบนายสมชายงั้นก็ทำหน้าที่กันไปหยุดพูดได้แล้วขาชักจะเวียนหัวเต็มแก่แล้ว ขาจะขึ้นข้างบนละและท่านจึงค่อยๆลุกจากอาสนะรู้สึกปวดที่ขาข้างขวาเป็นกำลังนายสมชายกับนายขุนทองช่วยกันพยุงท่านก็ว่าไม่ต้องข้าไปเองได้แล้วเดินขึ้นชั้นบนอย่างเชื่องช้าในใจนั้นกำหนดปวดหนอปวดหนอเกือบตลอดเวลาเรื่องที่ท่านพระครูตกบันไดาขาหัก แพร่สัรปัดไปอย่างรวดเร็วโดยในขุนทองเป็นผู้กระจายข่าวพระสงฆ์องค์เนนตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่อาศัยอยู่ในวัดป่ามะม่วงต่างก็พากันเป็นห่วงใหญ่ท่านครั้นทราบจากคนกระจายข่าวว่าท่านยังคงปฏิบัติกิจนิมนต์ได้พวกเขาก็โล่งใจและคอยหาโอกาสมากราบเยี่ยมเมื่อเห็นท่านกลับมา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 พระมหาบุญหรือพระโบเฮียวก็ได้ท่านเจ้าของกุฏิสัง่งและถ้าหลวงพี่สององค์นี้ท่านไม่สามารถแก้ปัญหาได้ละฮะก็ให้เขารอถามค่ะถ้าไม่ด่วนมากก็บอกเขาว่าให้ค่าหายเสียก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องด่วนข้าก็อนุญาตให้เขาขึ้นมาพบเป็นกรณีพิเศษเข้าใจหรือยัง เข้าใจแล้ว่ะงั้นก็ลงไปบอกเขาได้แล้วนมวัย21สเอดจึงลงมาแจ้งแก่พิกษุสมนเนศและอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งรออยู่เต็มกุฏิชั้นล่างคนทั้งหมดรับทราบและพากันกลับยกเว้นพระบัวเหี่ยวซึ่งลุกขึ้นไปจดจดจ้องจ้องอยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกครั้นเห็นคนอื่นๆกลับกันหมดแล้วจึงบอกในคุณทองว่า อาตมามีเรื่องด่วนช่วยไปบอกหลวงพ่อว่าอาตมาขอเข้าพบเป็นกรณีพิเศษนายขุนทองจึงต้องขึ้นไปรายงานอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็ลงไปบอกเขาให้ขึ้นมาได้ท่านพระคกรกล่าวอนุญาตประเดี๋ยวหนึ่งภิกษุวัยย่าง47ก็เดินเข้ามาแล้วก็กราบท่านสามครั้งแล้วนั่งในที่อันสมควร ประนมมือกล่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมพระโบเวยวขอกราบขอพระคุณที่ท่านอนุญาตให้เข้าพบเป็นกรณีพิเศษขอรับแล้วจึงเอามือลงท่านพระครูนึกขำทั้งรู้ว่าเป็นความเจ็บปวดนั้นลดลงไปเกือบครึ่งจึงถามยิ้มยิ้มว่าไม่ได้เจอกันหลายวันเธอพูดเก่งขึ้นเยอะไปเรียนมาจากใครละ่ะ จากพระมหาบุญครึ่งหนึ่งและก็เรียนรู้ด้วยตนเองครึ่งหนึ่งขอรับคนถูกชมยิ้มหน้าบานก่อนตอบดีมากแสดงว่าเธอเป็นคนชอบค้นขว้าหาความรู้ทั้งจากผู้อื่นและค้นคว้าด้วยตนเองเรียกว่าดีทั้งค้นทั้งล่องท่านพระครูชมอีกครา่นี้ภิกษุหนุ่มยิ้มแก้มแทบปริเพราะปิติยินดีในคาชมของท่าน แต่ในด้านปฏิบัติรู้สึกว่าจะย่อหย่อนลงไปนะมีอย่างที่ไหนพอชั้นชมก็ดีอกดีใจยิ้มแย้มแจม่มใสจนลืมกำหนดดีใจหนอแสดงว่าจิตยังหวั่นไหวในโลกธรรมชมอยู่หยกๆยกท่านก็เปลี่ยนมติเสแล้วพระบัวเหียวหุบยิ้มลงทันใดพร้อมต่อว่าต่อการพระอุปชาแม้หลวงพ่อ ผมเคยได้ยินคำพังเพยเขาว่าตกหัวและรูปหลังแต่นี่หลวงพ่อรูปหลังแล้วตกหัวจนผมตั้งตัวไม่ติดนึกแล้วเชียวว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วก็มีจริงๆนายสมชายกำลังทำความสะอาดพื้นและจัดข้าวของอยู่ได้ยินการสนทนาตั้งแต่ต้นเลยอมยิ้มไปทำงานไปชายหนุ่มนึกขำในใจดูเออเธอ เราแซวหลวงพ่อหลวงพ่อกลับไปแก้แค้นเอากับหลวงพี่แล้วนี่หลวงพี่จะไปแก้แค้นกับใครต่อก็ไม่รู้ชายหนุ่มเฝ้าพวงสงสัยและตอนนี้ตั้งตัวติดเรืยังจะต้องใช้เวลาสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงพระอุปชา ย, ยั่วอีกตั้งแต่รู้ว่าพระบัวเหียวเคยเป็นน้องชายของท่านในอดีตความรู้สึกอยากยั่วยั้งก็มีมากขึ้น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 เรื่องสอบอารมณ์พักไว้ก่อนแต่ฉันอยากรู้ว่าเธอมีธุระอยากพบฉันเรื่องอะไรคำถามของพระอุปชาทำให้พระโบเยียวนึกขึ้นได้ว่าแหมผมพูดเรื่องอื่นเสพเพลินเกือบลืมเรื่องสำคัญที่จะมาเรียนถามคือผมอยากจะทราบว่าหลวงพ่อขาหักแล้วทำไมยังปฏิบัติกิจนิมนต์ได้ ผมเป็นห่วงมากและหลวงพ่อก็ไปหาหมอหรือเปล่าท่านพระครูจึงต้องเล่าทั้งหมดให้ภิกษุนมฟังแล้วก็สรุปแบบยาวๆว่ากรรมเก่าต้องใช้นี่ทั้งนั้นแต่กรรมใหม่อย่าไปสร้างกรรมที่ฉันพูดเนี่ยหมายถึงอกุศ ล, ลกรรมเท่านั้นคนที่สร้างกรรมไว้เมื่อสำเร็จได้ ก็ต้องยอมรับใช้ยอมรับผิดกรรมเก่านั้นไม่มีอะไรจะแก้ได้เพราะมันทำไปแล้วผ่านไปแล้วหน้าที่ของเราคือต้องชดใช้ต้องใช้กรรมนะเราทำบุญเพื่อล้างบาปไม่ได้หรอครับเช่นเราเคยทำบาปไปในอดีตปัจจุบันเราก็ทำบุญลบล้างภิกษุนมถามอะไรการโบยเหียวนีนเธอบวชมาตั้งหลายเดือนแล้วนะ ทำไมเธอถามอะไรเปินๆอย่างนี้ฉันก็นึกว่าเธอก้าวหน้าไปถึงไหนไหนแล้วนี่แย่ที้แท้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าถามกลับไม่ก้าวหน้าน่ะสิยังอยู่กับที่ตามเดิมแม้หลวงพ่อครับการปฏิบัติทำให้ได้ผล น, นั้นมันก็ต้องตั้งหลักดีๆที่ผมไม่ก้าวหน้าเพราะยังไม่มั่นใจนะครับ เวลาการปฏิบัติทำให้ได้ผลนั้นมันต้องตั้งหลักให้ดีๆที่ผมไม่กล้าวนะ้าเพราะยังไม่มั่นใจนะครับแม้หลวงพ่อครับการปฏิบัติธรรมจะให้ได้ผลนั้นมันก็ต้องตั้งหลักให้ดีๆที่ผมไม่กล้าวนะ้าเพราะยังไม่มั่นใจนะครับขอเวลาตั้งหลักอีกหน่อยเถอะครับผมสัญญาว่าจะไม่ทาให้หลวงพ่อต้องเสียชื่อในฐานะที่เป็นพระอุปชาของผม กลงฉันจะยอมเชื่อเธออีกสักครั้งอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมและเมื่อหลวงพ่อเชื่อผมแล้วก็โปรโดตอบคำถามผมด้วยว่าเราทำบุญเพื่อล้างบาปได้หรือไม่ดูเหมือนฉันจะเคยพูดเรื่องนี้กับเธอไปแล้วนะแต่ก็เอาเธอไม่เป็นไรฉันจะอธิบายซ้ำอีกครั้งก็ได้ว่าเราทำบุญล้างบาปไม่ได้ นี่เป็นกฎตายตัวเลยนะบุญก็ตามบุญบาปก็ไปตามบาปเหมือนน้ำกับน้ำมันย่อมเข้ากันไม่ได้ฉะนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องชดใช้กรรมที่ฆ่าวัวฆ่าควายที่ผมมาปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยผมนึกว่าผมจะล้างบาปได้พระนมตอบเสียงเศร้าๆและรู้สึกจิตตกขึ้นมาทันที อย่าให้จิตตกตั้งสติไว้ดูฉันเป็นตัวอย่างฉันกาลังใช้กรรมอยู่นี่ไงฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่ากรรมของฉันนั้นหนักหนากว่าเธอหลายเท่านักของเธอหนะไม่ถึงกับตายแต่ของฉันตายยังเขียดเลยละ่ะท่านตั้งใจจะให้คนฟังรู้สึกขำหากพระบัวเียวขำไม่ออกท่านพระครูจึงปลอบอีกว่าไม่ดีหรือ เธอใช้กรรมหมดหมดไปเสียชาตินี้ดีกว่าไปใช้ในชาตินรกอเวจี v G. ถ้าเธอปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดเธอก็จะไม่ต้องไปเกิดในอเวจี v G. มหานรกแน่นอนไฟนรกนั้นนะ่ะว่าร้อนแรงกว่าไฟในโลกมนุษย์หลายเท่านักหลวงพ่อไปไหนมาเหรอครับฉันไม่ตอบดีกว่าเอาไว้ให้เธอรู้เอาเองจากการปฏิบัติ แต่ก็จะขอยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วเธอก็ไปเปรียบเทียบเอาเองอยากฟังไหมอยากครับพระหนุ่มตอบในสมชายเองก็เงียหูฟังด้วยความสนใจท่านเจ้าของกุฏิจึงหยิบยกเรื่องราวของพระเถระรูปหนึ่งมาเล่า ว, ว่าในครั้งพุทธกาลพระโลมะสนาคเถระท่านั่งเจริญกรรมาฐานอยู่ภายนอกที่จงกลม อากาศขณะนั้นร้อนอบอ้าวเพราะเป็นฤดูร้อนท่านนั่งอยู่ณนะที่ตรงนั้นจนเหงื่อไหลออกมาจากรักแร้ทั้งสองข้างก็ไม่ยอมลุกไปไหนพวกลูกศิษย์ได้มารัตนาให้ไปนนั่งในที่รม่มซึ่งอากาศร้อนน้อยกว่าท่านบอกลูกศิษย์ว่าที่ต้องนั่งเพราะที่นั้นท่านบอกลูกศิษย์ว่าที่ต้องนั่งณนะที่นั้น เพราะกลัวความร้อนแล้วนั่งพิจารณาอเวจีนรกอยู่ท่านเคยตกนรกอเวจีมาแล้วหลายชาติจึงเห็นว่าความร้อนของแดดนั้นยังน้อยกว่าความร้อนของอเวจีนรกซึ่งร้อนแรงหลายเท่าด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ลุกไปไหนและตั้งใจจ ะ, จะเจริญกรรมฐานต่อไปพระโบเฮียวฟังแล้วถึงกับขนลุก จนต้องกำหนดคนลูกหนออยู่ชั่วครู่แล้วจึงบอกพระอุปชาว่าหลวงพ่อครับถ้าผมระลึกชาติได้ผมคงรู้ว่าตัวเองเคยตกนรกเอเวจีมาแล้วเช่นกันเพราะแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกจะแล้วหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้ได้ไหมครับผมตกนรกเอเวจีมากี่ครั้งแล้วเหลวไหลหน้าบวเยี่ยว เธอจะอยากรู้ไปทำไมอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและจะไม่กลับคืนมาอีกส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงฉะนั้นเธอไม่ต้องไปพะวงถึงทั้งอดีตและอนาคตให้มีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเป็นพอเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้นะครับ ภิกษุวย่าง27สรับคำหนักแน่นอิ่มข้าวแล้วนายจอยกับภรรยาก็กลับมาที่กุฏิเห็นท่านอาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิอยู่จึงถามในขุนทองด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาว่าลงนาจะลงมากี่โมงไม่ลงหรอกพี่จ่อยขาท่านหักขึ้นขึ้นลงลงก็จะทำให้ยากเข้าอา้าวก็พี่บอกแล้วว่า จะเอารถมาเจิมท่า น, น่าจะรอก่อนนายจอยพูดอย่างผิดหวังพอขึ้นไปข้างบนได้ไหมขุนทองช่วยไปบอกท่านว่าขออนุญาตขึ้นไปพบข้างบนน้า น, น้องนะนั่งจูบประโละญาติสามีพี่จะเอาของในถุงนั้นไปถวายหลวงลุงหรือนายขุนทองถามด้วยความคิดว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋านั้นเป็นเงิน ถูกแล้วพี่ตั้งใจมาถวายท่านเทวและภรยาในจ่อยตอบงั้นก็ขึ้นไปได้เลยพี่ขึ้นไปเถอะหนูอนุญาตหนุ่มวัย21เอพูดเอาบุญเอาคุณโดยได้โอกาสเขามั่นใจว่าจะต้องได้ส่วนแบ่งไม่มากก็น้อย